ว่าเป็นสิ่งที่เราทําได้และก็ต้องทำแต่สิ่งที่พระองค์ให้เราทิ้งคืออะไรทิ้งความไม่พอใจหรือความพอใจที่มันเกิดขึ้ น, นดังนั้นแยกเรื่องการปล่อยวางการทิ้งให้ถูกต้องและพระเจ้ายังบอกอีกว่าในบรรดาบุคคล4ี่ประเภทคือบุคคลที่ตําหนิอย่างเดียวบุคคลที่สรนเสริญอย่างเดียวบุคคลไม่ตําหนิไม่สรนเสริญ และบุคคลที่ทั้งตำหนิและสันเสริญบุคคลอื่นทั้ง4อย่างนี้โดยความเป็นจริงตามการอันควรพวะเจ้าสันเสริญบุคคลสุดท้ายว่าเลิศที่สุดคือบุคคลที่รู้จักตำหนิบุคคลที่ควรตำหนิรู้จักสันเสริญบุคคลที่ควรสันเสริญโดยความเป็นจริงและตามโอกาสอันสมควร การดุดาว่ากล่าวการตำหนิติดเตียนการบอกกล่าวทาได้ไม่ได้ผิดแต่ต้องเลือกโอกาสให้เหมาะสมผู้เจ้าจึงตรัดว่าวาจาใดจริงแท้มีประโยชน์หากผู้ฟังไม่พอใจศา ส, สดาของเราก็จะเลือกโอกาสที่เหมาะสมในการพูดคำพูดเหล่านั้นออกไปเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้มีประโยชน์แต่คนฟังไม่ชอบ พระเจ้าทำอย่างไรพระเจ้าก็เลือกโอกาสที่เหมาะสมในการที่จะพูดหรือเรื่องจริงแท้มีประโยชน์แม้ผู้ฟังจะพอใจก็าตามพระเจ้าก็เลือกโอกาสที่เหมาะสมในการที่จะพูดคำพูดนั้นออกไปเห็นไหมมันแยกกันอย่างนี้นะไอ้วางก็ส่วนวางไอ้สิ่งที่ต้องทําก็ทําไปแล้วเราจะเห็นเองเลยว่า เรายิ่งทาได้มากเท่าไหร่ความสุขความสงบที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเรามันก็จะมากขึ้นเท่านั้นจากเดิมเคยมาวิตกกังวลว่าทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นมาวิตกกังวลว่าคนนั้นได้ด่าเราคนนั้นได้ว่าเราต่อไปมันก็จะเริ่มไม่มีแล้วเรารู้สึกว่าก็ช่างมันก็ไม่เป็นไรเราก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับลมหายใจ ยิ่งถ้าเราศึกษาพุทธชนะคือคำสอนของพระเจ้าไปเรื่อยเรื่อยเราจะพบว่าพทธเจ้าตัดเอาไว้เลยว่าหากเราทำดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแม้มีหมู่มหาชนมาเดินเบียนรอบประนมมือสวดสรรเสริญสวดวิงวอนบอกว่าขอให้เราเนี่ยเมื่อตายไปแล้วจงตกนรกพทะเจ้าตัดว่าจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นแท้ที่จริงแล้วบุคคลนี้ตายไป ต้องขึ้นสวรรค์เพราะเหตุที่เขาสร้างไว้ถูกต้องในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลนั้นทําชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแม้มีหมู่มหาชนมาเดินเวียนรอบสวดสรรเสริญสวดวิงวอนบอกว่าคนคนนี้ตายไปขอให้ขึ้นสวรรค์พระเจ้าก็บอกว่าแท้ที่จริงแล้วไอ้เนี่ยตายไปต้องตกนรกเพราะเหตุที่เขาสร้างไว้มันเป็นไปเพื่อนรกดังนั้นจะดีหรือไม่ดี เราจะได้รับสิ่งที่ดีหรือได้รับสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นเลยเกี่ยวข้องที่การกระทําของเราทั้งนั้นและพุทธเจ้าก็ยังกล่าวไว้อีกว่าหากการขอหรือการอ้อนวอนมันเป็นเหตุให้เราสำเร็จความปรารถนาได้ในโลกนี้ก็คงไม่มีใครที่จะเสื่อมจากอะไรนั่นก็หมายความว่าทุกคนก็คงสำเร็จสมหวังตามความปรารถนาทั้งหมดเพราะเราขอเป็นเราอ้อนวอนเป็น แต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่หลายคนน่าจะเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วว่าอยากได้อะไรไปขอประสงค์อะไรก็ไปขอซึ่งก็พบว่ามันก็ได้มัง่งไม่ได้มัง่งและส่วนใหญ่มันไม่ไดนะ้เพราะเราเข้าใจผิดไงว่าความสําเร็จเกิดเพราะการขอแต่พระเจ้าบอกความสําเร็จเกิดขึ้นเพราะเราสร้างเหตุที่ถูกต้องดังนั้นอิทับปัจยตานะฟังดู ดูดูวิชาการนิดหนึ่งอิทธปัญญาตาพุจจาบอกว่าเป็นธรรมที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นนะเมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคืออะไรปุจจาบอกว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะทุกอย่างเกิดขึ้นมาเพราะมันมีสาเหตุเราอยากแก้อันนี้ให้มันหายไปแล้วก็ต้องแก้ที่สาเหตุแล้วมันก็จะหมดไปนะดังนั้นเหตุแห่งการสําเร็จสมปรารถนาพระุทธเจ้าจึงตัดเอาไว้แต่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เหตุในการขอหรือการอ้อนวอน การขอหรือการอ้อนวอนมันไม่ทำให้เราสาเร็จสมปรารถนาแต่ถ้าเราสร้างเหตุได้ถูกต้องเดี๋ยวเราจะสมปรารถนาเราปรารถนาในเรื่องใดบ้างเช่นขอพกรกคัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยทางธรรมขอยศจงเฟื่องฟูงฟกแก่เราพร้อมด้วยญาติและพิษสหายขอเราจงเป็นอยู่นานรักษาอายุให้ยั่งยืนขอว่าเราตายไปแล้วให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ปธนารับปธนากิจยศชื่อเสียงปธนาความมีอายุยืนปฒนาว่าตายแล้วขอให้ไปสวรรค์ปธนาได้แต่ไม่สามารถไปขอกับใครได้ถ้าใครเคยมาศึกษาเจพบวัิเทวดาเขาก็เดินทางไปสู่ความตายพรมเขาก็เดินทางไปสู่ความตายเทวดายังไม่สามารถช่วยตัวเองให้พ้นจากความตายไปได้ พรมเองก็ไม่สามารถช่วยตัวเองให้พ้นจากความตายไปได้พรมกับเทวดาแล้วจะช่วยใครได้ตัวเองยังเอาตัวไม่รอดดังนั้นไปขอกับพวกนี้ไม่ได้ช่วยอะไรอพระเจ้าท่านบอกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีรูปเป็นที่รื่นรมใจยินดีแล้วในรูปบันเทิงด้วยรูปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนเสื่อมสลาย เพราะความดับหายไปแห่งรูปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีเสียงเป็นที่รื่นรมใจยินดีแล้วในเสียงเพลิดเพลินด้วยเสียงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรนเสื่อมสลายเพราะความดับหายไปของเสียงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีกลิ่นเป็นที่รื่นรมใจยินดีแล้วในกลิ่นเพลิดเพลินด้วยกลิ่นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปลปรนเสื่อมสลาย เพราะความดับหายไปของกลิ่นนะและพระองค์ก็ไล่มาถึงรสนะที่ลิ้มได้ด้วยลิ้นนะสัมผัสด้วยกายรู้อารมณ์ด้ใจเทวดาและมนุษย์เองก็ยินดีในสิ่งเหล่านี้เทวดาและมนุษย์เองก็อยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนเสื่อมสลายดับหายไปของสิ่งเหล่านั้นเทวดาก็ยังเอาตัวมีรอดจากความทุกข์ตรงนั้นและเทวดาจะมาช่วยเราได้อย่างไร ดังนั้นเราเองต้องช่วยตัวเองโดยการที่ปรารถนาแล้วเราก็ต้องสร้างเหตุแห่งการสำเร็จสมความปรารถนาเหตุสำเร็จความปรารถนาพราะองค์บอกว่ามีสี่ประการนะประการที่หนึ่งให้เราเป็นผู้มีศรัทธาให้เราเป็นผู้มีศีลให้เราเป็นผู้มีจากะเป็นผู้มีปัญญาศรัทธาศีลจากะปัญญา เป็นเหตุให้ได้มาซึ่งสี่อันที่น่าประทนานน่ารักใคร่หน้าปลอจใจศรัท ธ, ธาคืออะไรศรัท ธ, ธานในพระพุทธเจ้าสินคือสินไหนแค่สิน้าจาคะคืออะไรการรู้จักแบ่งปันการเสสละเป็นผู้มีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการขอยินดีในการให้ยินดีในการจำแนกฐานอยู่ของเรือนปัญญาปัญญาเอาแค่ไหน เราจะบอว่ารู้จักสิ่งที่เป็นอกุศลรู้จักว่าถ้าเราถูกอกุศลครอบงาจะไปทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำละเลยในสิ่งที่คนททำเมื่อไปทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำละเลยในสิ่งที่ควรทำก็จะเสริมจากยศและความสุขเรารู้อย่างนี้และเราพยายามลดละเลิกสิ่งที่เป็นอกุศลเหล่านั้นสิแค่นี้ก็ใช่ว่าเป็นผู้มีปัญญารู้ว่าเวลาเนี้ยเวางาน ก็ต้องอยู่กับงานอย่าไปสนใจอย่างอื่นนะก็คือเนี่ยรู้จักแยกแยะว่าอันไหนควรทำอะไรมันเหมือนมีคนส่งคลิปวิดีโอมาให้ดูที่คนขับรถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุเขาฟังวิทยุผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ขับรถไปพอวิทยุมันดับมือก็ไปสนใจโทรศัพท์มือถือตาก็สนใจโทรศัพท์ในการที่จะย้ายที่วาง พอหันกลับมารถมันออกนอกถนนละตัวเองอารามณตกใจก็เลยพยายามหักรถกลับและรถก็พลิกคว่ำสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเห็นแต่สภาพรถที่มันยับเยินอยู่ตรงนั้นอืมนี่คือไปทําในสิ่งที่ไม่สมควรทําละเลยในสิ่งที่ควรทําก็จึงเสื่อมจากยศและความศักดิ์ ดังนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ก็คิดและลดและเลิกสิ่งต่า้นไปเสียแค่นี้เขาเชียกว่าเป็นผู้มีปัญญาเมื่อเราทําได้นะปัญ น, นาทรัพย์ก็จะได้ทรัพย์ปัญ น, นากีิจยศชื่อเสียงก็จะได้ปัญ น, นาความมีอายุยืนปัญ น, นาความไปถึงสุคติโลกสวรรค์ก็จะได้นะอันนี้เหตุเห่งการสําเร็จสมปัถนาแบบที่1แบบที่สองมีอีก แบบที่สองพระองค์บอกว่าเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีสุตตะจาระปัญญาเพิ่มมาเป็นห้าอย่างมีคําว่าสุตตะเพิ่มสุตตะคือการได้ยินได้ฟังมาศรัทธารู้แล้วคืออะไรศีลรู้แล้วคืออะไรสุตตะคือการได้ยินได้ฟังจาคะเหมือนเดิมปัญญามันเดิมการได้ยินได้ฟังมากรารได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธมีพร ะ, พพระพเจ้านั่นเอง เสร็จแล้วพระองค์บอกว่าปรารถนาจะไปเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาลก็ไปได้ปรารถนาจะไปเกิดเป็นอาพรามมหาศาลก็ไปได้ปรารถนาเกิดเป็นข้าบดีมหาศารก็ไปได้ปรารถนาจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชก็ได้ปรารถนาไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงเทวดาชั้นดุษิีนิมานรดีนะประนิมมิตะวสัมติไปได้หมด หรือแม้ข้ามไปหนึ่งคืนเทวลาชั้นยามาก็ไปได้ปรัชนาไปเกิดเป็นพรหมการปรัชนาไปเกิดเป็นเทวดาพวกสุทธาวาสปรัชนาไปเกิดเทวดาเหล่านั้นเหล่านี้ได้และสุดท้ายปรัชนานิพพานคือความไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายก็ได้เหมือนกันนะเห็นไหมว่าแค่เพิ่มสุตตะมาอันเดียว สามารถพาเราไปถึงได้ซึ่งนิพพานนะแต่อันแรกที่ไม่มีสุตตะเราไปได้แค่สวรรคนะ์ดังนั้นเติมสุตตะมาหนึ่งอย่างไปได้อีกเยีบแบบที่สามเหตุแห่งการสำเร็จสมปัจจนานที่สามนะเป็นผู้มีศีลไม่เหินห่างจากฌานประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาญาณและทำสุญญาคารวัตให้งอกงาม อันนี้บอกว่าปรารถนาอยากจะได้อิทธิปฏิหารห่อเหินเดินอากาศก็ทําได้ปรารถนาให้เราเป็นที่รักของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันก็ได้ปรารถนาอยากมีหูทิพย์ก็ทําได้ปรารถนาลาบสั ก, กร ะ, ะก็ได้ปรารถนาจะรู้ว่าละจิตคนนั้นคนนี้ก็ได้หรือปรารถนาจะไปถึงซึ่งนิพพานก็ได้เหมือนกันนะเห็นไหมว่าเหตุแห่งการสําเร็จสมปรารถนาพระุทธเจ้าบอกไว้3แบบ แต่ละแบบก็จะมีผลที่เหมือนกันบ้างต่างกันบ้างอย่างแบบสุดท้ายพระองค์ตัดกับภิกษุก็เลยมีพื่มีพูดถึงเรื่องของอิทธิปฏิหารพูดถึงเรื่องของการรู้วาลจิตเรื่องอะไรนะแต่สุดท้ายก็ได้นิพพานเหมือนกันได้ลาภสักระเหมือนกันนะได้การเป็นที่รักของมุคคลอื่นเหมือนกันนะก็เลือกเอาว่าเราจะเอาแบบไหนนะดังนั้น สิ่งที่เราปรารถนามีเมื่อปรารถนาแล้วก็ให้เราสร้างเหตุแล้วแต่ใครจะชอบว่าจะสร้างเหตุแบบไหนจนะนะบอกเอาไว้ว่าสามแบบถ้าเราอยากได้ไปแค่สวรรค์ก็ทําแค่สี่อย่างก็พอก็ไดนะ้ถ้าเราอยากไปถึงนิพพานหรืออยากไปสวรรค์ชั้นไหนก็ได้ตามใจปรารถนาก็ให้เพิ่มสุตตะขึ้นมานะ หรือถ้าใครอยากได้อิทธิปฏิหารนะก็เพิ่มเรื่องของการทำสมาธิให้มากนะเป็นผู้มีศีล น, นะไม่เห็นห่างจากฌานประกอบพร้อมด้วยวิปัสนาญาณทำศูนยญาณคันระวัดให้อกา้าอี้ก็แล้วแต่ใจเลือกนะบอกทางไว้ให้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเดินไปทางไหนะ แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้เวลามาศึกษาปฏิบัติตามคำสอนุท้เจ้าเราจะเห็นเองว่าสิ่งที่เราปฏิบัติไปมันจะให้ผลกับเราโดยที่ไม่ต้องรอว่าทาชาตินี้แล้ววังผลชาติหน้าไม่ใช่เรื่องของกรรมนะกรรมเป็นคำกลางๆหมายถึงการกระทาการกระทาของเราหรือกรรมของเราเนี่ยทำลงไปแล้วผู้เจ้าตรัสว่าให้ผลในปัจจุบันก็มี ให้ผลในเวลาต่อมาก็มีให้ผลในเวลาถัดต่อมาอีกก็มีหลายอย่างทำไปแล้วได้ผลเลยก็เยอะให้ผลในเวลาถัดต่อมาอีกก็มาหรือรอไปอีกระยะใหญ่ก็มีมีทุกรูปแบบดังนั้นเราต้องเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องกรรมใหม่ว่าไม่ใช่ทำปุ๊บเอาขอชาติหน้าอย่างเดียวรอชาติหน้าถึงจะได้ผลกรรมอย่างเดียวไม่ใช่ ทำเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้เหมือนเราละนันทีเดี๋ยวนี้เราก็เห็นเองเลยว่าไอสิ่งที่มันเก็บมาตั้งเยอะแยะมากมายมันก็ดับไปต่อหน้าต่อตาเราไอสิ่งที่เราพาเราเป็นทุกข์อยู่ในจิตในใจเราเราทิ้งเดี๋ยวนี้มันก็หมดไปเดี๋ยวนี้นี่งไงการได้รับผลในปัจจุบันและถ้าเราฝึกบ่อยๆเราจะเกิดความชํานาญความไม่พอใจเกิดปุ๊บเราทิ้งได้ปับ๊บ ความไม่พอใจเกิดขึ้นเราทิ้งให้ปลมมันจะพัฒนาเป็นอย่างนี้นี่ก็คือเรื่องของกรรมและผลแห่งการกระทาว่าสิ่งที่เราทำลงไปอย่างเหตุแห่งการสำเร็จสมปรารถนาที่เราทำลงไปไม่ใช่ว่าต้องรอชาติหน้าถึงจะได้เกิดเป็นเศรษฐี้าบดีมหาศาลไม่ใช่อย่างเดียวเราทำปัจจุบัน ถ้าทำได้นะภพคาทรั์ก็จะเกิดขึ้นแก่เราโดยทางธรรมยศก็จะเกิดขึ้นแก่เราได้ในที่สุดลนะาบสักการะและเสียงเย็ยนยอก็จะเกิดขึ้นแก่เราการเป็นที่รักของบุคคลอื่นก็จะเกิดขึ้นแก่เราเราทราบหรื อ, อยังเรื่องของความลดหลัน หรือผลของการให้ทานแต่ละแบบทราบไปหรื อ, อยังเอง่ยว่าการทำบุญแต่ละแบบให้ผลอย่างไรเห็นพยักหน้าแสดงว่าทราบแล้วหรือยังไม่ทราบคื อ, อสิ่งที่เป็นทางมาแห่งบุญพระเจ้าบอกทางมาแห่งบุญมีสามทาง บุญอันเกิดจากการรักการให้ทานบุญอันเกิดจากการรักษาศีลบุญอันเกิดจากการภาวนานี่ทางมาแห่งบุญมีสามทางส่วนใหญ่เรมามักจะเน้นเรื่องบุญอันเกิดจากการให้ทานเวลาถามส่วนใหญ่ก็มักจะตอบว่าเราให้ทานอยู่เป็นประจำอยู่เป็นระยะเรื่อย แต่พอถามเรื่องรักษาสินเนี่ยน้อยคนที่จะทำได้เริ่มน้อยละพอถามเรื่องการภาวนาการนั่งสมาธิอันนี้ยิ่งเปอร์เซ็นต์น้อยเข้าไปใหญ่แต่ทราบหมว่าบุญอันเกิดจากการให้ทานมีผลน้อยกว่าการรักษาสินบุญอันเกิดจากการรักษาสินมีผลน้อยกว่าบุญที่เกิดจากการภาวนาภาวนาในบุญเยอะสุดลองลองมาข้าศิล ลองลองมาคือทานแต่คนส่วนใหญ่ชอบไปให้ทานที่ทำแล้วได้ผลไม่มากแต่ละเลยเรื่องรักษาศีลกับภาวนาและเรื่องของการรักษาการให้ทานพุทธเจ้าก็ยังแยกออกอีกว่าการให้ทานในครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งของเรานั้นจะได้ผลมากหรือผลน้อยต้องขึ้นกับองค์ประกอบสามส่วนหนึ่ง ผู้ให้คือตัวเราต้องสินดีสองของที่ได้มาต้องบริสุทธิ์คือไม่ได้มาเพราะคดโกงหรือลักขโมยใครมาสุดท้ายผู้รับก็ต้องสินดีหากประกอบพร้อมกันด้วยสามอย่างนี้จะเป็นเหตุให้การให้ทานครั้งนั้นมีผลไัยบุญเรามักไปมองแต่ผู้รับแต่เราไม่ได้มองผู้ให้คือตัวเราเพรเราเองก็ต้องสินดีนะ ผลของทานมันถึงจะร้อยเปิดสรนะเราพูดตรงนี้บอกว่าเราให้ทานเราต้องสิ่งดีด้วยใช่คือในระหว่างที่เราให้ทานเราสมัครทานสิ่ไปตรนนั้นเลยรก<ข>วาสิ่งดีไอนก็ได้ทำเนียมการให้ทานทุส่วนแดญก็ถึงมักมักให้ตั้งวัดจิตรักษาสิ่งกันเ้า<อ>ก็จะมีอยู่นะแต่คนก็จะไม่รู้ว่าทาไปทาไมบางคนก็ ปานาติปาตาเวรมณีพยุงกัดกับเพี้ยก็มีเมันก็มีทุกรูปแบบคือไม่รู้ว่าพูดไปเพื่ออะไระไม่รู้ว่าเขาพาทาเพื่ออะไระเสร็จแล้วนะพุทธเจ้าบอกว่าขนาดให้ทานกับพระอระหันต์อันนี้ยกพระอรหันต์เลยนะไม่ยกกับบุคคลอื่นละผลยังน้อยกว่าการให้ทานกับพระพุทธเจ้า การให้ทานกับพระพุทธเจ้ายังน้อยกว่าผลที่เกิดขึ้นยังน้อยกว่าการให้ทานแด่สง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานการให้ทานแด่สง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานผลยังน้อยกะกว่าการที่สร้างกุฏิวิหารถวายสง์และอุทิศแด่สง์ผู้มาจากทิศทั้งสี่อย่างสังฆทานที่เรามักนิยมทํากันเนี่ยผลก็ยังน้อยกว่าน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าเรื่องของ การสร้างกุฏิวิหารถวายสง่งการสร้างกุฏิวิหารถวายสง่งวันที่แดดส่งผู้มาจากทิศทั้งสี่มาผลมากแล้วนะอย่างน้อยกว่าการที่บุคคลนั้นมาสมาทานรักษาศินห้าแค่รักษาสินห้าได้ผลมากกว่าสร้างกุฏิวิหารผลมากกว่าให้ทานแด่ส่งมีพระเจ้าเป็นประธาน ผลมากกว่าให้ทานกับพุทธเจ้าผลมากกว่าให้ทานกับผ้าล้าผลมากขนาดนี้แต่ทำไมเราลักเลยแล้ถ้าเทียบไปอีกพระองค์บอกว่าการที่เรามีเขาเรียกว่าสามารถเจริญอนิจจสัญญาเคอเห็นความไม่เที่ยงแค่ชั่วลัดนิ้วมือก็มีผลมากกว่ารักษาสิ่ การที่เราเห็นความไม่เที่ยงนะนั่นก็คือการภาวนานั่นเองนะการภาวนาแค่ระยะสั้นๆแค่ช่วงเวลาลัดนิ้วมือภาษาไทยแปลว่าลัดนิ้วมือคือประมาณเอานิ้วมือมองหากันเหมือนหนังจีนเวลาเราดูพวกทานายอะไรมันจะชอบอย่างนี้ฝรั่งเขาแปลคำนี้ว่า finger snap คือดีดนิ้วแค่นี้แค่เห็นความไม่เที่ยงระยะสั้นๆแค่นี้ มีผลมากกว่ารักษาสินนะไม่ต้องพูดถึงการให้ทานนะแต่ทำไมเราไม่หยิบสิ่งที่ทำแล้วได้ผลมากก่อนทำไมเราไปหยิบสิ่งที่ทำแต่ได้ผลไม่มากเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเสียอะไรหลายๆอย่างมากต้องแหกต้องตื่นแต่เช้านะางตามาเพื่อมาทำบุญใส่บาตรไปซื้อของโน่นนี่นั่นเยอะแ ย, ยะมากมาย ประคิดว่าอยากจะทําบุญนะแต่การรักษาศีลอยู่กับบ้านการนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่กับบ้านกลายเป็นวันได้ผลมากกว่าเป็นการลงทุนที่ลงทุนน้อยแต่ให้ผลมากเป็นสิ่งที่ประโยชน์สูงแต่ประหยัดที่สุดนะเรากลับละเลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะเรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าพระเจ้าแบ่งแยกเรื่องผลของการ ที่ทางมาแห่งบุญแบ่งกันอย่างนี้ภาวนาเยอะสุดรองลองมาคือศีลรองลองมาคือฐานาในระหว่างการของศีลกับภาวนาพราะองค์ก็ยังพูดถึงเรื่องของการเจริญเมตตาด้วยนะการที่เรามีจิตเมตตาเพียงแค่ระยะเวลาชั่วลัดนิ้วมือผลก็ยังมากกว่าการรักษาศีล จะเดินเมตตาแค่ช่วงระยะเวลาสุดลมของหอมไม่ใช่รัดนิ้วมือหมายความว่าแค่เรามีจิตประกอบด้วยเมตตาแค่ระยะเวลาสั้นๆ ส, สั้นแค่ไหนคือช่วงระยะเวลาสุดลมของหอมเราเราเอาสูดลมหายใจสักครั้งหนึ่งสิมันนานแค่ไหนไมีนานเราดมอะไรที่มันมีกลิ่น ห, หอมดอกไม้หอมๆ อ, อ่าของหอมๆดูซิว่ามันนานแค่ไหน แค่เราทำจิตประกอบด้วยเมตตาแค่ระยะเวลาเท่านี้มีผลมากกว่าศีลนะแต่ก็ยังด้อยกว่าการเห็นความมีทีดังนั้นในวันในเวลาที่เรามาอยู่ตรงนี้เราน่าจะได้ครบน ะ, นะทั้งการให้ทานการรักษาศีลและการภาวนานการภาวนาอย่างที่เราถูกสอนมาว่านะให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออก หรือรู้อยู่กับการเดินหรือรู้อยู่กับอิริยาบถการเคลื่อนไหวของเราเป็นผู้มีสติอธิษฐานการงานเสร็จแล้วเมื่อจิตเปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องก็ให้เรากลับมารู้อยู่ที่ลมบ้างกลับมาอยู่กับการเดินบ้างกลับมาอยู่กับการงานที่ทาในต่อหน้าในปัจจุบันไปและการเราก็เห็นว่าสิ่งที่เราคิดฟุ้งซ่านฟุ่แต่งขึ้นมาก็มีความดับไปเป็นธรรมดาแล่การที่เราเห็นอย่างนี้นั่นแหละ มันคือว่าเราเริ่มตามเห็นความไม่เทียงก็คือว่าเราทำในสิ่งที่ทำแล้วได้ผลมากเพราะพระุทธเจ้าบอกอีกอย่างหนึ่งว่าการที่เราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรา5อย่างนี้นะถ้าเรารักษาศี่ทาได้พรพุทธเจ้าตรัสว่านั่นแหละคือมหาทาน นั่นคือเอาเวรท า, านอพยาปัจตทานเพราะอะไรการที่เราไม่ฆ่าสัตว์เพียงคนเดียวเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์อีกมากไม่มีประมาณที่ไม่ต้องตายด้วยน้ำมือเราอย่างนี้ก็ชื่อว่าให้ทานชีวิตผู้อื่นมากไม่มีประมาณการที่เราไม่ขโมยของใครหรือถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ไปก็จะมีทรัพย์ของผู้อื่นที่จะไม่ต้องหายด้วยฝีมือของเรา ก็ชื่อว่าเราให้ทานสิ่งของผู้อื่นมากไม่มีประมาณรนะักษาศีลได้พระเจ้าตรัสอีกที่หนึ่งว่านั่นแหะคือการทำทานแล้วนะชื่อว่าเป็นมหาทานด้วยซ้ำและพระองค์ก็บอกว่าทานนี้เป็นของเลิศเลิศก็คือดีเยี่ยมดีที่สุดนะเป็นของเลิศที่มีมาแต่โบราณนะไม่เคยถูกทอดทิ้งแล้วในอดีต อนาคตไม่ได้ถูกทอดทิ้งปัจจุบันก็ไม่ไถูกทอดทิ้งดังนั้นอยากให้ทานทำอย่างไรกับมารักษาสินะกลรบมาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาต่อนะก็เลยพร้อมครบสมบูรณ์ทั้งทานสิลภาวนานะทำสิ่งที่มีผลมากมีอนิสงส์มากนั่นเองนะี่เป็นสิ่งที่เราต้องทราบแต่ในการให้ทานพระเจ้าก็บอกว่า เรามีจิตเริ่มใสในที่ใดก็พึงให้ทานในที่นั้นนั่นหมายความว่าเราอยากจะให้แก่ใครให้ได้หมดไม่ได้ห้ามพรพุทเจ้าจึงตรัสว่าแม้เราเทเศจน้ำล้างหม้อหรือน้ำล้างชามลงในหลุมน้ำคลำหรือทางน้ำโสโครเพื่อหวังให้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในนั้นได้อิ่มก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญไม่ต้องพูดถึงการให้กับคนด้วยกัน นะขนาดเททิ้งลงไปแล้วหวังให้สัตว์พวกนั้นได้กินก็ยังได้บุญไม่ต้องพูดถึงให้กับคนก็ได้อยู่แล้วและพูเจ้า ก, ก็ตตัดว่าหากสัตว์ทั้งหลายรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้สัตว์เหล่านั้นก็จะให้ทานก่อนแล้วค่อยบริูุอันหนึ่งมนทินคือความตรีก็จะไม่ครอบงาจิตของสัตว์เหล่านั้นนะถ้า คำข้าวของบุคคลนั้นยังเหลือเพียงคำสุดท้ายก็ตามถ้ายังมีผู้รับคือคนต้องการอยู่หากเขายังไม่ได้แบ่งคำข้าวคำสุดท้ายแม้นั้นก่อนก็จะไม่บริโภคขนาดคำข้าวเหลือคำสุดท้ายแล้วนะแล้วถ้ามีคนอยากได้เขาก็จะแบ่งก่อนแล้วค่อยกินนะ่ะ ถ้าเขารู้ว่าการให้ทานมันมีผลขนาดไหนคำนสุ ท, า ย, ทายคว า, าคสุดท้ายอาจจะกินไปแล้วแต่เหลือแค่นี้ก็ได้หรืออาจจะเหลือห่อสุดท้ายแล้วอะสุดท้ายในชีวิตถ้าเหลือแค่นี้ก็ได้อแต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ถึงผลแห่งการจําแนกทานเหมือนอย่างเรารู้สัตว์เหล่านั้นจึงไม่ได้ให้ทานก่อนแล้วค่อยบริโภค อันหนึ่งมนทินคือความตระหนีจึงยังครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นนะเพราะเราไม่รู้ว่าการให้ทานนะมันได้ผลนะพอเราไม่รู้เราก็เลยกินก่อนแล้วค่อยให้ยิ่มก่อนแล้วค่อยให้แต่พระเจ้าก็ให้รู้จักแบ่งปันนะก็จะโยงไปถึงเรื่องของจาคึกสัมปทา ค, คือการถึงพร้อมด้วยการบริจาคนั่นแหละแต่พระเจ้าก็ให้พิจารณาอย่างนี้ว่า เวลาเราให้ทานอะไรลงไปตัวเองห้ามเดือดร้อนผู้อื่นก็อย่าเดือดร้อนหรืออย่าเดือดร้อนกันทั้งคู่เพราะพวะเจ้าบอกว่าถ้าใครให้ทานแล้วกระทบตนเอง mm hmm. กระทบผู้อื่น mm hmm. เมื่อเราไปเกิดในที่ไหนไหนถ้าผลของทานนั้นมันเกิดขึ้นเราก็จะเป็นผู้มีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมาก แต่ทรัพสมบัติที่เราหามาได้ก็จะมีอันตรายที่จะต้องพัดพรากทรัพนั้นไปเพราะเหตุแห่งไฟน้ำเหตุแห่งโจรเหตุแห่งอื่นๆที่เอาไปเพราะเราให้ทานกระทบตนเองกระทบผู้อื่นดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าการให้ทานเป็นทางมาแห่งทรัพนะโอเคการให้ทานได้ทรัพมาก็จริงแต่การตั้งจิตเวลาให้ทานก็มีผล อย่างคนนี้ให้ทานไปแล้วกระทบตนเองกระทบผู้อื่นจึงเป็นเหตุให้ได้มาก็ต้องสูญเสียไปเพราะภัยต่างๆบางคนให้ทานด้วยศรัทธานะเพราะศรัทธาจริงฮะในที่ที่ทานนั้นให้ผลเขาก็จะเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภกสมบัติมากเหมือนกันแต่เพราะให้ทานด้วยศรัทธา เขาก็จะเป็นผู้มีผิวพรรณงามมีรูปงามน่าดูน่าชมน่าเลื่อมใสประกอบด้วยความงามแห่งผิวพรรณยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นให้ผล <Yeah. S 1> เพราะให้ทานด้วยศรัทธาให้ทานโดยเคารพ <Yeah. S 1> เวลาผลแห่งทานมันเกิดขึ้น <Yeah. S 1> เขาก็จะเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภกสมบัติมาก yeah. และบริวารชนของเขาไม่ว่าจะเป็นบุตรภรรยา ถาธาตกรรมกรก็จะเป็นผู้เชื่อฟังคําสั่งเงี่ยสวดลงฟังว่าจะสั่งอะไรจะให้ทําอะไระนี่คือการให้ทานโดยเคารพดังนั้นการให้แต่ละอันเป็นเทมาแห่งศักดิ์แต่เวลาระวังจิตให้ทานมันก็มีผลว่าจะเกิดอะไรขึ้นเวลาผลของทานมันให้เราให้ผลกับเราและมันก็มีอีก นะว่าพระเจ้าบอกว่าหากอยากเป็นผู้มีผิวพรรณงามหน้าเริ่มใสอีพิธีหนึ่งก็คือเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ปผูกโกรธถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระด้างกระเดืองไม่กราฟัดกระเฟียนไม่ทำความขัดเคืองและขุนเคืองให้ปรากฏหากเขาทำได้อย่างนี้ในเวลาที่ผลของการกระทำมันเกิดขึนเขาก็จะเป็นผู้ที่ มีผิวพรรณงามน่าดูน่าเลื่อมใสดังนั้นเหตุแห่งการได้มาซึ่งความเป็นผู้มีผิวพรรณงามมีรูปงามมาสองทางแล้วนะคือการเป็นผู้ไม่มักโกรธก็ได้หรือการที่เราเป็นผู้ให้ทานด้วยศรัทธาก็ได้ดังนั้นจุดหมายปลายทางเดียวกันที่มามาได้หลายทางเหมือนเหตุแห่งการสําเร็จสมปรานาก็มีหลายแบบ แล้วก็เหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างก็แล้วแต่มาสร้างเหตุแบบไห น, นสังเกตว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆไม่ได้เกิดเพราะขอแต่เพราะเราทำแบบนี้จึงได้ผลของการกระทำแบบนี้ทำแบบนี้จึงได้ผลในการกระทำแบบนี้ข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่ออายุสัน้นคือเป็นผู้ฆ่าสัตว์มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปนี่เป็นเหตุให้เขามีอายุสัน้น ถ้าข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้มีอายุยืนคือเป็นผู้ไม่มกักาสัตว์นะไม่มีฝ่ามือเปื้อนด้วยเลือดเปื้อนด้วยโลหิตนะเป็นผู้มีใจเอ็นดูกรณาเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายการที่เขาละเว้นตรงนี้ได้เป็นเหตุให้เขาได้มาซึ่งความเป็นผู้มีอายุยืนนะก็คือการไม่ฆ่าสัตว์นั่นเองและมันก็มีเหตุแห่งการอายุยืนที่พเจ้าบอกเอาไว้อีกแบบ 1. รู้จักรประกอบตนให้อยู่ในความสบาย 2. รู้จักรประมาณหรือพอดีในความสบาย 3. ต้องเที่ยวไปในเวลาอันสมควรนะเป็นผู้บริโภคอาหารที่ย่อยง่ายลักษณะแบบนี้นะจริงๆมันมี5นะแต่เธอแกพูดมา4 ก็จะเป็นเหตุให้เราได้ความเป็นผู้มีอายุยืนอี ก, กนหนึ่งพุทธเจ้า ก, ก็บอกเป็นผู้มีมิตร ด, ดีการเป็นผู้มีมิตร ด, ดีการบริโภคอาหารที่ย่ยง่ายการรู้จักทาตัวเองให้อยู่ในความสบายและการรู้จักพอประมาณในความสบายนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความอายุยืนได้ ดังนั้นเหตุแห่งการอายุยืนก็มีสมแบบอันนี้สําคัญนะบริโภคอาหารที่ใ ย, ยง่ายถ้าอยากอายุยืนอย่าบริโภคอาหารที่ใ ย, ยยาก แ, แต่มาไปเจอคนแก่แถวต่างจังหวัดอายุเจิบกว่ายังยังสะพายตะกร้าใส่ไม้คานไปทุ่งนานเลยถามว่าเขากินข้าวเขาบอกเ ข, เขากินข้าวกับเขากินข้าวกับผัด กินข้าวกับ น, น้าพริกไม่ค่อยได้กินหมูกินเนื้อเราก็นึกในใจเอเขาก็ทําสิ่งที่พระเจ้าพูดไงก็คือบริโภคอาหารที่ง่ายๆ่าเจกว่าหลังยังไม่นงมยังเดินถือตะกร้าเขาบอกปีนี้เพิ่งป่วยป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงความดันขึ้นไปสองอยกว่าแต่ก็ยังไม่เป็นไรก็ยังไปทุ่งนาอยู่เลย หรือไปเจอโยมที่ฝรั่งเศส97กับ94ก็อายุยืนมากก็ยังไม่ได้ซักประวัติกันว่าทำอะไรถึงอายุยืนได้ขนาดนีนะ้ความทรงจำยังดียังทรงจำพระสูตรได้ยังพูดคุยกันรู้เรื่องยังจำได้ว่าใครเป็นใครนะอย่างเขาติดตามการเผยแพร่พุทธศนะผ่าน YouTube ผ่านการถ่ายทอดสดเนียเขาก็จำได้ว่า อาตมาเป็นใครภาพรูปนั้นรูปนี้คือใครแล้วเออแกเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้คุยกับโรคประจําตัวมีก็จะมีว่าปวดเขา่าแต่พอเดินเหินอะไรได้เนยอย่างเนี้ยก็ถือว่าเขาสร้างเหตุในความเป็นผู้มีอายุยืนแล้วก็อีกอันหนึ่งฮะความเป็นผู้มีอายุยืนประการที่สี่คือเป็นผู้มีสตาสนิจักข้าปัญญาถ้าจําได้อื ขอเราจงเป็นอยู่นานรักษาอายุให้ยั่งยืนนะได้มาสี่เหตุแล้วนะอยากอายุยืนลองดูสร้างเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือถ้าสามารถสร้างได้ครบทั้ง4ี่ก็ดีเพราะว่าอย่างในเรื่องอภปริหารนิยธรรมคือทำที่ทำแล้วเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมมีอยู่เจดคอหากทำได้ก็เป็นไปเพื่อความเจริญอย่างเดียวไม่เสือ่อมพระเจ้าก็บอกว่า แม้ทำได้เพียงข้อเดียวก็หวังได้แต่ความเจริญไม่เสือ่อมไม่ต้องพูดถึงถ้าสามารถทำได้ครบทั้งเจ็ดข้อในเจข้อนั้นมีอะไรบางประชุมกันเนื่งเนืองประชุมกันโดยมากสองพร้อมเพียงกันเข้าประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมและพร้อมเพียงกันทำกิจที่จะต้องทำนะ ทำอะไรก็ให้พร้อมกัน <c oughs> เคารพสักการะนับถือบูชาผู้ที่เป็นหลักเป็นประธานถ้าเราทำงานในบริษัทก็ผู้นำในองค์กรของเรานั่นเองถ้าเป็นพระก็ประธานสงฆ์หรือพระเทระผู้ใหญ่นั่นเองไม่ลบหลู่หรือไม่ดูถูกกูมารีหรือสตรีในสกุล ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาในสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอะไรที่เคยทากันมาและมันดีอยู่ก็ทาต่อไปไม่ต้องไปเปลี่ยนไปปรับอะไรเตรียมเครื่องสักการะไว้พร้อมเพื่อพระอระหันต์ทั้งหลายว่าพระอระหันต์ทั้งหลายเหล่าใดที่ยังไม่มาก็ขอให้มา ที่มาแล้วก็ขอให้อยู่สุขสำารัญเธอให้ทานที่เคยให้ให้การบูชาคารบสักการะแก่เจดีย์ที่เคยทำอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่หวังได้ไม่มีความสึกอะไรพวกเนี้ยการจำแนกแตกทานการให้การบูชาอะไรที่เคยทำกันอยู่ก็ก็ทกันเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไร หากทําได้ก็เป็นสิ่งที่หวังได้แต่ความเจริญไม่เสื่อมแต่ก็ให้ระวังว่าการไปบูชาการไปเคารพสักการะเนี่ยต้องทําไม่ได้ทําเพื่อหวังประโยชน์สาระว่าให้เป็นแล้วขอเราจอา ง, งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเป็นสิ่งที่เคยทําก็ทําให้เพื่อไม่ให้มันเสียประเพณีอาตมาก็เลยนึกถึงเรื่องของคนจีนที่เขายังมีไหวจ้าคนจีนเนี่ยเขายังมีประพเพณีเชิงเม้งอะไรอย่างเนี่ย ซึ่งก็มองว่าสิ่งเหล่านี้พระเจ้าก็ไม่ได้ตำหนินี่นาพระเจ้ า, าตําหนิแค่ว่าหากการบูชาใดเป็นเหตุให้สัตว์ล้มตายพระองค์จะตําหนิการบูชาเหล่านั้นแต่การบูชาใดถ้าสัตว์ไม่ล้มตายพระองค์ก็ไม่ได้ตําหนิอาตมาก็เลยคิดเอาเองว่าอจริงๆถ้าการไหว้เจ้าหรือเชงเมงถ้ามันไม่ไมทําให้สัตว์ล้มตาย มันก็น่าจะเข้าขายเรื่องของหลักอภิริหารในยธรรมเพราะมันเป็นวันที่ญาติสารโลหิตทั้งหลายจะได้มาประชุมรวมกันจะได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันซึ่งปีหนึ่งมันไม่มีไม่กี่ครั้งและมันก็จะไปโดนในคำที่ว่าประชุมกันเนื่งเนืองประชุมกันโดยมากพร้อมเพรียงกันเข้าประชุมพร้อมเพรียงกันเลือกประชุมซึ่งการอาศัยเหตุตรงนี้แหละในการประชุมนั่นเองคือช่วงวัยเจ้างช่วงเชิงหแต่คนที่ทําก็ต้องเข้าใจว่าไม่ได้ทําเพื่อเอาสารละ ไม่ทําทำเพื่อให้ญาติได้กินอะไรก็ไม่ได้ใช่แต่ทำเพราะเพราะหวังประโยชน์อย่างอื่นนะก็เลยถือโอกาสนำมาบอกกล่าวเล่าให้พวกเราได้ฟังว่าทุกอย่างมีเหตุที่มาทุกอย่างถ้าจะได้ก็ต้องสร้างเหตุเอาไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆอยไม่ได้เกิดเพราะใครโดนบันดาลให้แต่เกิดขึ้นเพราะเราสร้างเหตุ นี่คือศาสนาพุทธในแง่มุมที่ถูกต้องนะดังนั้นพุทธจริงๆของเราจึงไม่มีหลอกเรื่องน้ํามนต์เรื่องสายศีลเรื่องตะกุดเรื่องพลักเครื่องเรื่องของเครื่องรางของขลังเรื่องปลุกเสกการดูเลิกดูยามการสะดอกเคราะ์ต่อชะตาจึงไม่มีเลยนะถ้าใครเคยอ่านพระสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่9กนะ้านะทีฆาิการศิลขันธวรช ตั้งแต่พระสูตรที่หนึ่งถึงพระสูตรที่สิบสาพระเจ้าบอกในสิ่งเหล่านี้ไม่อนุ ญ, ญาตให้ภิกษุทําพระสูตรแรกบอกว่าพระองค์ไม่ทําเรื่องพวกนี้และก็สั่งห้ามว่าห้ามภิกษุอื่นทําด้วยนี่คือปัญหาที่เราเจอว่าพระุทธเจ้าสั่งห้ามแต่ก็ทํากันเยอะแยะแล้วก็ไปเจอว่ามีคนมาบอกว่าเนี่ย ทำไมจะทําไม่ได้พุทธเจ้ายังสั่งให้พระอานนุ์ไปเอาบาตรตักน้ําเพื่อมาทําน้ำมนต์เพื่อสมัยนั้นนะ่ะมีนครหนึ่งนะจำได้ว่าเป็นนครเวสาลีที่เกิดภัยพิบัตินะพุทธเจ้าก็เลยสั่งให้พระอนุ์ไปเอาบาตรตักน้ําเพื่อมาทําน้ำมนต์และประพรมไปทั่วพระนครแล้วก็เลยเป็นเหตุให้ภัยพิบัติมันหายไปเขาก็เอาเรื่องนี้ขึ้นมาแยง้ง แล้วกลายเป็นว่าข้อมูลที่เขาแย้งมาไม่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเลยเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาใหม่ถูกแต่งขึ้นมาใหม่โดยปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัตถกถาซึ่งคัมภีร์อัตถกาถาเราก็ต้องทราบก่อนว่าพระไตรปิฎกที่สืบทอดกันมาจะมีคัมภีร์หนึ่งที่ชื่อว่าคัมภีร์อัตถกถา อธิบายความหมายในพระไตรปิฎกอีก ท, กทีหนึ่งซึ่งบางอันก็เอาพุทธทันะมาอธิบายบางอันก็แต่งเองมาจากไหนไม่รู้ไ ม, รไม่ทราบที่มาที่ไปบางอันก็ขัดกันเองก็มีขัดกันเองเช่นอะไรอย่างเรื่องคําอธิบายอย่างเมื่อช้าพูดถึงเรื่องลมหายใจเข้าลมหายใจออกภาษาบาลีว่าอัดสาสะปัดสาสะ มีคนสงสัยว่าอัดซาสะปัดซาสะเนี่ยอัดซาสะกับปัดซาสะอันไหนคือลมหายใจเข้าอันไหนคือลมหายใจออกอัตถคถาฝ่ายวินัยบอกว่าอัดซาสะคือหายใจหายใจออกปัดซาสะคือหายใจเข้าอัตถคถาฝ่ายพระสูตรบอกว่าอัดซาสะคือหายใจเข้าปัดซาสะคือหายใจออกตรงกันข้ามกันเลยอัตถคถาสองชุดนี้ แต่คนที่แต่งกฐาลาสองชุดนี้คือใครคือคนคนเดียวกันคือพุทธโฆสส์แตแต่งแล้วขัดแย้งกันเองดังนั้นคนแปลก็เลยถ้าใครไปอ่านพระไตรปิฎกฉบับหลวงที่มีการพูดถึงเรื่องอนาปนสติก็จะเจอทั้งบางครั้งมีหายใจเข้าออกหายใจเข้าก่อนแล้วค่อยหายใจออกบางพระสูตรจะบอกหายใจออกก่อนแล้วค่อยหายใจเข้ามีทั้งสองแบบเนี่ยอันนี้คือขัดแย้งกันประเด็นแร อีกประเด็นหนึ่งขัดแย้งกันเรื่องกุศลกรรมบรหรือทางมาแห่งบุญนั่นเองกุศลกรรมบรต์พรเจ้าบอกมี3ประการคือทานศีลภาวนาแต่อัตถคถาแต่งว่ามี10ประการคือกุศลกรรมบร10สิบแล้วเราก็จะถูกสอนว่ามี10ประการและมันมีประเด็นสุดท้ายที่ว่าสัมมาทิฏฐิคือการทําความเห็นให้ตรงอัตถคถา จุดหนึ่งบอกว่าไอเนี้ยสามารถส่งคล้อเข้ากันได้กับภาวนาบุญนั้นเกิดจากการภาวนาอัตตกถาอีกที่หนึ่งบอกว่าไอสัมมาทิฐิตรงเนี้ยจะไปอยู่ในหมวดของทานก็ได้ปวดของศีลก็ได้หมวดของภาวนาก็ได้าทั้งท้ที่คนแต่งอัตตกถาอัตมาก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคนเดียวกันแต่แต่งและขัดกันเองแล้วถามว่าเราจะเชื่อใคร เราจะเอาอัตธกถาเล่มไหนเพราะมันไม่ตรงกันเหมือนเรื่องแปร ล, ลมหายใจเข้าหายใจออกมันเลยทําให้คนมาอ่านหนังสืออานาปนสติที่ทางวัดจะทําขึ้นก็มองว่าแปลผิดเพราะแปลหายใจเข้าก่อนแล้วค่อยหายใจออกมันต้องออกก่อนแล้วค่อยเข้าเขาว่าได้แล้วเขาก็อยู่หนังสือนี้ทิ้งเขาก็ไม่ศึกษา แล้วเขาก็สาแสดงถ้อยคําที่แบบเฮ้ยแปลผิียาไปอะไรยังไงแต่หารู้ไม่ว่าเขาถกเถียงกันมาตั้งนานใ น, ในพจนานุกรมทาตของหลวงเทพตรุนานุศิธิ์ที่มีชีวิตอยู่สมัยรัชกาลที่ห้าก็ให้ความเห็นเอาไว้ว่าไอ้นี้นก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าตรงจะแปลว่าเข้าหรือออกก่อนแต่ท่านก็บอกพระพุทธเจ้าจะตัดคู่กันเสมอ ดังนั้นถ้าแปรอันนึงเข้าอันหนึ่งต้องออกหรือถ้าแปรออกต้องแปรว่าเขาและปัจจุบันก็ยอมตามหรือเห็นตามอัตถกะถาไฟพระสูตรที่บอกว่าให้แปลเข้าก่อนแล้วค่อยแปลออกนะดังนั้นในหนังสืออนาปะรสติจึงกล่าวว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวนะปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะคําแต่งใหม่ พุทเจ้าจึงตรัสเมื่อ 2,500 กว่าปีว่าสุตตันตะเลาไดที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคําร้อยกลองประเภทกรับกรลมีอักษรสระเสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นําสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอต้องไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน สั่งไว้เลยว่าอะไรที่แต่งขึ้นใหม่อย่าไปสนใจนะซึ่งถ้าสนใจก็จะเป็นอย่างที่เรางงทุกวันนี้ตกลงอ่านน้ำมนต์ทำได้หรือทำไม่ได้คำแต่งใหม่บอกทำได้แต่พระเจ้าห้ามไม่ให้ทำนะบุญไม่ใช่บุลกรรมบอกบุญกิริยาวัตถุแต่กนะีพูดผิดนะบุญกิริยาวัตถุสิบพระเจ้าบอกบุญกิริยาวัตถุมีสามอัตถกถาบอกบุญกิริยาวัตถุมีสนะิบ ไม่ใช่กุศลกรรมมาหมดสิบบุญกิริยาวัตถุพุทธเจ้าบอกมีสามปามี10และตัวสุดท้ายก็เห็นไม่ตรงกันก็งงกันอีกดังนั้นถ้าเราสนใจในคําสอนพุทธเจ้าอย่างเดียวแล้วเราจะไม่งงไม่สับสนเราจะไม่รู้สึกว่าอีกอันนี้ก็น่าจะทําได้อันนู้นก็น่าจะทําได้พุทธเจ้าของเรามีคุณสมบัติพิเศษว่ารับตั้งแต่ที่พระองค์ตรัสรู้จน ก, กระทั่งพระองค์ปรินิพาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุตลอดเวลาในระหว่างนี้คําที่พระองค์กล่าวสอนพระำสอนบอกสอนด้วยประการใดๆคําสอนเหล่านั้นย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่ น, นตั้งแต่ตัสรู้จนปรินิพานคําสอนของพระองค์จะไม่ขัดแย้งกันและถ้าได้ยินได้ฟังใครกล่าวว่านี้คือธรรมนี้คือวินัยนี้คือคําสอนของพระศาสดา พระเจ้าก็บอกว่าอย่าพึ่งเชื่อหรืออย่าพึงมีเชื่อให้นําหลักคําสอนนั้นไปสอบสวนในพระสูตรเทียบเข้าในวิไหนถ้าเข้ากันได้ลงกันได้ชื่อว่าทรงจำมาถูกพวกเธอพึงรับเอาไว้ถ้าเข้ากันได้ล ง, ไดงงไไดลงกันไม่ได้ชื่อว่าทรงจำมาผิดให้เธอละทิ้งคาพูดเหล่านั้นไปเสียนี่คือหลักการตรวจสอบมันเหมือนล่าสุดเนี่ยมันมีพระตอนนี้ศึกไปละ เป็นโยมไปละคือมาบวชที่นี่นะแม่ก็ยังมีศรัทธาในพุทธชนะลูกพี่ชายเขามาบวชก่อนก็มีศรัทธาน้องชายอีกคนก็เลยมาบวชตามทุกคนก็เข้าใจพุทธแต่พ่อเขายังไม่เข้าใจทางที่ลูกบวชมาในคนที่สองล่ะก็เจอปัญหาว่าเขาไปดูเลิกศึกให้ลูกเขาว่าต้องเป็นวันพฤหัสซึ่งวันพฤหัสเนี่ยทางวัดไม่สะดวกที่จะให้ลาศิกขา ก็จะเลื่อนไปเป็นมันสุขพ่อเขาก็เริ่มรู้สึกกลัวลูกจะมีปัญหาโน่นนี่นั่นควรจะเป็นอะไรไปเพราะไปขอเลิกจากพระมาแล้วคือเลิกสึกนะก็ไปยึดถือเหนียวแน่นว่าจะต้องศึกวันนั้นมันนี้ก็เลยต้องอธิบายเท้าวความกันให้เข้าใจเพราะศาสนาพุทธไม่มีนะเรื่องเลิกยาบนะที่จะต้องขึ้นอยู่กับเวลาที่จะต้องขึ้นอยู่กับวันไม่ได้เกี่ยวนะ สะดวกเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่ก็จะราศิขาก็ลาถ้ามันไม่พร้อมก็ต้องเลื่นเรื่องเลิกยามพุทธเจ้าพูดไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าประพฤติดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลาใดเวลานั้นนั่นแหละคือเลิกดียามดีมงคลดีรุ่งดีสว่างดีทำดีเมื่อไหร่ก็นั่นแหละคือเลิกดียามดีจบลนะมีโอกาสได้ไปงานแต่งงาน อาตมาไดา้ไปงานแต่งงานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ขึ้นเสาค้ำก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของโยมที่เขาจัดงานแต่งงานเขาไม่นินมนต์พระมาทําอะไรเลยเขานิมนต์แต่พระที่นี่ไปฉั น, นก็จบเสร็จแล้วในพิธีแต่งงานปกติมันจะต้องมีสวมได้มูลคลใช่ไหมก็ไม่สวมไม่เอาบอกจะจัดแบบพุทธทจนะไม่มีกระแจะให้มาเจิมหน้าผากก็ไม่เอา อไอใบสีส่ขวัญตามธรรมเนียมอีสานก็ไม่เอ า, อาก็คงเหลือแค่คล้องพวงมาลัยดอกไม้และก็ลดน้ำสังเพราะถ้าตัดออกไปเลยไอคนที่ไม่รู้เรื่องก็จะมองว่ามันไม่ใช่ง้นแต่งแต่คนที่จัดก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่แต่ก็ต้องมีไว้เพราะกลัวเขารับไม่ได้ส่วนการผูกข้าไม้เข้ามือก็ยังมีเพราะธรรมเนียมอีสานมันก็ขาดไม่ได้ แต่ก็ให้ผูกเฉพาะคนเท่าคนแก่ที่เขายังติดอยู่กับประเพณีเก่าๆก็ให้เขาทําไปอย่างอาตมาไปร่วมงานคนเท่าคนแก่ก็บอกมาให้อาตมาผูกข้อมือด้วยสิเจ้าของงานก็บอกไม่ต้องไม่ต้องผูกให้มัารับโอวาทก็พอนะก็พาคู่ผ่าวสาวมารับโอวาทเสร็จแล้วพอาตมาให้โอวาทก็จบเสร็จสิลนพิธีเริ่มประมาณ9ก้าโมงกว่าเสร็จ10บโม ง, งั้นแต่งไม่ถึงชั่วโมงเสร็จหลัง ง่ายมากพวกคนหนุ่มๆที่ไปร่วมงานก็รู้สึกชอบมันไม่พลุงพลังไอพิธีพามใบสีสู่ขวัญก็ไม่ไม่รู้เรื่องว่าคืออะไรก็ทำกันไปก็เสียเวลาก็เลิกก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในงานเนี่ยหาเหล้าหาเบียก็น้อยมีนะแต่มีหลบๆซ่อนๆก็คือเฉพาะคนที่ถามถ้าไม่ถามก็ไม่ให้ก็จะเสิร์ฟแต่น้ำอดลมกับน้ำเปล่า ไม่มีการฆ่าสัตว์ในงานนั้นก็ไปซื้อของมาแค่นั้นเองก็เลยรู้สึกว่าเออเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของคนจัดเขาก็เริ่มมีความอยากลงมัน่นเริ่มมีความกล้าที่จะอย่างนี้นแล้วเขาก็สั่งเสียกับลูกเขาว่าถ้าเขาตายเนี่ยต้องอไปเผาที่วัดนะเสียเวลาก็จะเผาหรือฝังที่ไหนก็เลือกเอาถึงง่ายดนะีดังนั้นถ้าเรามาเกี่ยวข้องกับพุทธวจนะ ไดมีโอกาสศึกษาคำสอนพระเจ้าเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วนะ่ะพระเจ้าไม่ได้สอนเราอะไรที่มันวุ่นวายมากนะแต่เพราะประเพณีที่มันแต่งขึ้นใหม่มันพาเราใช้ชีวิตยากขึ้นอย่างง้นแต่งจะต้องพระกี่รูปกี่รูปกว่าจะสวดกวัดจะอะไรเยอะแยะมากมายอย่างงานแต่งรอบนั้นไม่มีสวดพระกค่นิมนต์รูปเดียวก็จบไม่มีห้ารูปเจดรูปเการูปไม่ต้องรูปเดียวพอถวายทาน ให้ธรรมะจบไม่มีอะไรก็ถือว่าเริ่มเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในในทางที่ดีขึ้นนะแล้วก็เรื่องของโยมที่เขาเป็นห่วงเรื่องเลิกศึก ρ. พอได้มีโอกาสคุยกันเขาก็ยอมนะเอาหนังสือเดรัชานวิชาไปให้ว่าเรื่องพวกนี้พระเจ้าไม่ได้ตัดถึงเลยนะพระเจ้าไม่ได้พูดถึงพระเจ้าพูดไว้อย่างนี้อย่างนี้เรื่องเลิกดียำดีพระเจ้าบอกไวอ้อย่างนี้ ดีว่าเขาเป็นผู้ไม่ยึดถือเดียวแน่นในความเห็นเขาก็ยอมตามในสิ่งที่พูดไปและลูกชายเขาก็ได้ลาสิกขาที่ไม่ตรงตา ม, มันที่เลิกที่ที่พระให้มาเกรดเล่าให้เป็นข้อมูลว่าถ้าเราโดไปสนใจคำแต่งใหมายชีวิตจะอยู่ยากขึ้นจะทำอะไรก็ตามต้องเวลาเท่านี้ต้องวันที่เท่านั้นวันนั้นเดือนนั้นถึงจะได้ แต่พอมาดูที่พระเจ้าบอกไม่ได้เกี่ยวนะอยู่ที่เราทำดีเมื่อไหร่เวลานั้นนั่นแหละคือเลือ่อดียามดีมงคลดีก็เไรเล่าเป็นข้อมูลให้ทราบเหมือนการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเหมือนกันไม่ได้มีผลอะไรนะซึ่งถ้าเราไปดูหลักในการตั้งชื่อนะเราจะเป็นอะไรที่ที่น่ า, น, าน่าเศร้าใจอ ย, อย่างยิง คือเขาจะมีบอกว่าถ้าคนเกิดวันอาทิตย์ต้องมีพยัญชนะอะไรวรนังจันต้องมีัพยัญชนะอะไรวันอังคารต้องมีพยัญชนะอะไรนะและถ้าคนที่เคยศึกษาเรื่องภาษาบาลีมาจะพบว่าอักษรที่ตั้งกันเนี่ยมันเป็นอักษรที่แบ่งกลุ่มพยัญชนะในภาษาบาลีตามฐานในการออกเสียงเช่นกลุ่มกขคคง กลุ่มเนีเสียงมันจะเป็นอย่างนี้ก็จะจัดกลุ่มหนึ่งกลุ่มจชชชชก็เชอือก็จะอีกกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มปปลาพอพึ่งนะพอพานพอสำเพาก็จะอีกหมวดหนึ่งนะซึ่งเขาแบ่งกลุ่มไว้ประมาณห้าหมวด6กหมวดแล้วก็มีพวกเศษวัตที่ไม่สามารถลงเสียงตามนี้ได้ ซึ่งเวลาใครไปศึกษาอักษรบาลีจะพบว่าเขาจะแบ่งกลุ่มไว้ยางไและคนที่คิดคนแรกไม่รู้ว่าใครมันเอากลุ่มแรกคนเกิดวันอาทิตย์ต้องเป็นอักษรกลุ่มนี้วันอังคารวันจันทร์ต้องอักษรกลุ่มนี้วันอังคารต้องอักษรกลุ่มนี้ย่างกฐา ม, มาเกิดวันอังคารเนี่ยชื่อก็จะต้องเป็นชอช้างเป็นจอจานจอจานชอช้างชอชิงอะไรพวกนี้ที่เป็นอักษรที่มีช สุดท้ายมันมาเพราะคนแต่งแล้วไปหยิบอันนี้ถ้าแต่งว่าวันจันทร์ต้องอย่างนี้วันอังคารต้องนี้วันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ต้องอย่างนี้แล้วก็เชื่อกระทาตามกันมาลองไปเทียบดูแล้วกันว่าอ้าวมันมาจากนี้นี่เองเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะซึ่งพอเราศึกษาไปไม่ลึกเราก็กลายเป็นว่าคนก็จะเป็นกังวลว่าลูกเกิดวันอังคารต้องมีอักษรตัวนี้ ลูกเกิดมันพุธกลางวันต้องอย่างนี้มันพุธกลางคืนต้องอย่างนี้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวนะจะดีหรือช่วไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวหนังสือไม่ได้ขึ้นอยู่กับอักษรใดแต่อยู่ที่การกระทำของเราอย่างที่บอกไปถ้าเราทาดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ไม่มีใครทาอะไรเราได้เหมือนกันถ้าเราทาชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ไม่มีใครช่วยเราได้เหมือนกันทุกอย่างอยู่ที่เหตุปัจจัยที่เราสร้าง ถ้าใครมีอินเทอร์เน็ตลองไปดูอัอกษรในภาษามาลีก็ไปเทียบ ว, ว่าหลักในการตั้งชื่อเนอี mm ่แ hmm. มทคือเข้ากันได้แบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลย mm hmm. ก็เลยเล่าให้พวกเราฟังว่าเนี่ยผลเสียของคำแต่งใหม่มันเยอะมากยิ่งถ้าเราเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้เราเองก็จะอยากค้นทุกข์แต่เราไปหาวิธีพ้นทุกข์ที่ผิดคืออะไร ไปบนบ้างไปขอบ้างไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลบ้างไปปรับบ้านดูห่วงช่วยดูอะไรบ้างซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวทุกอย่างมันอยู่ที่ตรงนี้ต่างหากก็ถือโอกาสเล่าให้พวกเราฟังนะใครมีประเด็นอะไรจะพูดคุยสักถามมาเพิ่มเติมมีได้นะ จริงๆน่าจะมีคำถามนะผู้ใหม่หรือไม่รู้จะถามอะไรนึกถึงตัวเองตอนเรียนเหมือนกันไม่รู้จะถามอะไรถามว่าเข้าใจไหมก็ไม่เชิงไม่เข้าใจใช่ไหมมันก็ตอบไม่ถูกดังนั้นหนังสือที่ได้ไปก็เอาไปศึกษาไปอ่านทบทวนซีดีที่ให้ไปก็ฟังบ่อยๆฟังซ้ำๆ มีโยงคนหนึ่งเขามาจากญี่ปุ่นนะเมืองอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเขาก็บอกไปเจอโดยบังเอิญนะแล้วเขาบอกเขาฟังครั้งแรกก็ไม่เข้าใจฟังสองสามครั้งก็ไม่เข้าใจเขาบอกเขาน่าจะฟังเป็นร้อยเที่ยวถึงเริ่มจะเข้าใจว่าสิ่งที่พูดออกไปที่คำสอนพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรจากนั้นเขาก็มาศึกษาอย่างนี้อย่างเดียว สดีไปนะของเราอย่าให้อย่าให้เสียโอกาสนะ นี่เขามาจากอเมริกานะเขายังมาเออยี่คนนั้นเขามาจากญี่ปุ่นเขายังมาเราอยู่ใกล้แค่นี้นั่นเดินทางให้กี่ชั่วโมงจะให้เสียโอกาสจะให้เสียทีนะที่นอนเยอะมากเลยค่ะครับใช่คุณท่านอยู่มากยี่ะิบชั่วมงยีบเอ็ดชั่วโมงก็ยังมานะอืม แ ล, และธรรมะของพรุทธเจ้าก็ทนต่อการเพ่งพิสูจน์หมายความว่าคือเราทำไปทำไปเราจะเห็นเองว่ามันเป็นอย่างไรเราทำไปศึกษาไปปฏิบัติไปเราจะได้รับผลแห่งการปฏิบัติได้เองอย่างที่บอกฟังซ้ำๆและได้ไปแรกๆอาจจะงงบ้างจำไม่ได้บ้างไม่เป็นไรเพราะหลายครั้งคำศัพท์เฉพาะมันเยอะอย่างเช่นขันห้า รูปวิจนาสัญญาสังขารวิญญาณมักมีองแปดใช่ไหมอวิชชาวิญญาณอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะนะพวกเนี้ยสุดท้ายพอเราฟังไปจะรู้เลยว่ามีอยู่แค่นี้แหละฟังไปเรื่อยก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอามีการพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วสุดท้ายทํำบ่อยๆฟังบ่อยๆเราก็จะจําได้เองออรูปเป็นอย่างนี้ เวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ศรัทธาคืออย่างนี้นะจาระคืออย่างนี้ปัญญาคืออย่างนี้ภาวนาคืออย่างนี้นะก็เดี๋ยวจะค่อยๆเข้าใจขึ้นไปตามก็เรียกว่าเหตุปัจจัยที่เราได้สร้างที่เราได้สั่งสง จริงๆอยากให้ถามจะได้รู้ว่าอยากรู้เรื่องอะไรเรื่องอะไรที่ยังไม่ได้รู้อืมา ถ, าถามเรื่องการแผ่เมตตาครับเวลาเราได้ปฏิบัติธรรมนีต้องแผ่เมตตา ย, ยัางไงครับเรื่องปฏิบัติธรรมจะแผ่เมตตายอย่างไรนะอันดับแรกถ้าเราอยากให้คนมีชีวิตอยู่เขาเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญกับเรานะอันนี้<ม>คนมีชีวิตอยู่ก่อน พระเจ้าบอกว่าถ้ามีใครก็ตามนะทำความดีขวนขวายในการให้ทานและมีบุคคลมาช่วยเหลือกิจการงานนั้นหรือมาชื่นชมยินดีอนุโมทนาในสิ่งที่เขาทําดีตรงนั้นบุคคลที่อย่างนีน้ก็เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญดังนั้นถ้าอยากอยากให้คนมีชีวิตอยู่ได้มีส่วนแห่งบุญก็ไปบอกเขาสิว่าไปทําอะไรมา ให้เขามีโอกาสได้ชื่นชมยินดอีอันนี้ประการแรกประการที่2ในการเจริญเมตตาพูะเจ้าก็อนุญาตให้ทำซึ่งการเจริญเมตต า, ม, ตามีแต่หลักการนะคร่าวๆ ว, วิธีการโดยละเอียดยังไม่มีพระพุทธเจ้เาก็จะบอกแค่ว่าเมื่อจิตของเราเนี่ยปราศจากอากุศลนะเพราะจิตปราศจากอากุศลก็ให้ทาจิตประกอบด้วยเมตตา แผ่ไปสู่ท 1, ที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำและก็เบื้องขวานแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางแก่สัตว์ทั้งหลายทั่นหน้าเสมอกัร น, นะแล้วก็ลักษณะการทำในใจเป็นอย่างไรนะก็ไปเจอในประถมธรรมที่บอกว่าสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทจงบริหารตนให้อยู่เป็นสุขเถอนะลักษณะคล้คล้ายอย่างนี้นี่คือการจเจริญเมตตา ถามว่านี่คือสูตรสำเร็จไหมก็ไม่ใช่กันแล้วแต่เราจะไปสรรหาคำพูดแล้วกันแต่มันไม่สำเร็จอ ย, อยู่ที่การพูดมันเสเร็จอยู่ที่การตั้งจิตของเราพูะเจ้าจึงตรัสว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมมันอยู่ที่เจตนาของเราและอันดับแรกใจเราต้องประกอบด้วยเมตตาด้วยนะเราต้องปรารถนาให้ผู้อื่นอยู่เป็นสุขจริงๆเราต้องปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นผู้ไม่ ผูกเวรจริงๆแล้วต้องปัญหาให้ผู้อื่นไม่ผูกพยาบาทกันจริงๆไม่ใช่แค่ปากพูดอย่างเดียวแต่ใจมันไม่ไปอ่าดังนั้นในเรื่องเมตตาจึงมีคำกำกับว่าให้ทำจิตประกอบด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบณ์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณนั่นแหละต้องทำให้ได้ แต่งเส้นเรื่องของเนี่ยบอกว่าการมีจิตไม่พยาบาทมีความลาริแห่งใจนะนะพระผู้ผู้ที่มีจิตไม่พยาบาทเป็นอย่างไรก็คือผู้มีความลาริแห่งใจอันไม่ประทุษสลายว่าสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขบริหารตนอยู่เถิดนี่ไงลักษณะของผู้ที่ไม่มีจิตพยาบาท ซึ่งพระเจ้าก็พูดอีกที่หนึ่งว่าให้เจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทดังนั้นก็เลยพออนุมาณได้ว่าการทําในใจอย่างเนี้ยคือการทําจิตให้ประกอบเป็นเมตตาอ่าคือคือคือเมตตาพยาบาทแตอยากใหนอ่นเน่ยปรารถนาให้เขาพน้พนทุกข์ด้วยปรารถนาให้เขามีสุขด้วยอ่า ก็มีตัวอย่างพอทิพย์เคียงได้ประมาณนี้นะดังนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะให้ใครถ้าให้คนเป็นก็ไปบอกกันตรงๆนี้เลยให้เขาอนุโมทนาให้เขาชื่นชมยินดี<ม>เขาก็จะได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญอืมประเด็นนี่ยอที่เราทำให้ทานคือการทํากิจละละความตรนีคือหลายคนยังสงสัยว่า ละทำจิตยังไงวางจิตยังไงละอย่างละความตนนีคืออย่างไรก็คือให้ก็คือให้ใหไม่ได้หวังว่าจะเอาอะไรจากสิ่งที่เราให้ไปแล้วไม่ได้หวังว่าให้ไปแล้วเราจะมีความเรื่มใสให้ไปแล้วเราจะได้เกิดเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้ให้ไปเพราะปู่ย่าตายายพาธรรมให้เพราะคิดว่าสมณะพรามเหล่านี้ไม่ห่วงหากินนะเราเป็นคนหวงหากินจะไม่ให้ก็ไม่สมควรกาย ให้เพื่อเป็นเครื่องประดับจิตปรุงแต่งจิตก็คือให้ก็คือไม่ต้องหวังอะไรทั้งสิ้นคอย่างให้แล้วก็สละให้งไหมให้เสร็จลไปดูว่าพัดตัดมันเาหรือเปล่าก็ยังไม่ก็ยังไม่ใช่จริงไงก็ยังไม่สละจริงก็คือให้ก็ให้ก็ยังหวังผลอยู่ไงนี่แหละมันเป็นตัวบอกชัดเจนลุ้นตัดหรือยังตัดเป็นเหมือนการอาตมาก็เป็นเมื่อก่อนมาถวายทานที่เนี่ย เมื่อก่อนพระน้อยยังไม่มีโต๊ะบุฟเฟ่ยังใช้ระบบรถเข็นนะเข็นใส่ถาดแล้วก็ตักตั้งแต่พรรษามากเป็นบรรษาน้อยจะมีรถเข็นแ ล, ล, แล้วก็ไหลไปเราก็จะเอาอาหารขึ้นมาสลากก็จะมีคนยกให้เราก็เข็นไปพอลงมาจากสลาเราจะเลงว่าเลยเยอะเลยเรือนน้อยเป็นเหมือนกันวันนี้พระตักเยอะหรือตักน้อยอให้ก็สล า, สลาใช่ แต่อย่างน้อยก็หวังผลในทานก็กยังไม่ได้ผิดอะไรนะหรือทำเพราะจิตเริ่มใส่ก็ยังไม่ได้ผิดอะไรแต่ผู้นี้ทำไปแล้วเป็นการให้ทานที่มีผลมากแต่ไม่มีอนิสงฆ์มากนะแต่เดี๋ยวพอเราทำไปเรื่อยๆปฏิบัติภาวนาไปเรื่อยๆ เ, เราจะเห็นเองว่าการให้ทานแค่เป็นขึ้นประดับจิตปรุงแต่งจิตคืออย่างไรเราจะรู้สึกเราไม่อยากได้อะไรแล้ว เริ่มมีบางคนมาพูดแล้วว่าก็ไม่ได้อยากได้อะไรแล้วแต่ก็ทำเพราะมันก็มันก็ยังทำได้อยู่ก็ทำไปอ่าแต่ช่วงแรกๆ ก, ก็ทุกคนก็หมายมั่นปั้นมือจากสิ่งที่ให้ไปนั่นแหละอืมก็ไม่เป็นไรก็ก็ยังมีอยู่ก็ก็ไม่ได้ว่าอ่าพระเจ้าก็ไม่ได้ตำหนินะในเมื่อพูเจ้าไม่ได้ตำหนิเราก็ไม่ต้องเป็นกังวลมากแต่พระเจ้าก็บอกแค่ว่าผลที่มันตามมาเนี่ยมันไม่ได มันมีผลมากกันจริงแต่อันิส่งมันไม่มากแค่นั้นเองแต่พอเราอาจเชิญ แผ่เมตตาแล้วคนรับจะได้อนิสงฆ์มากน้อยแค่ไหนพระเจ้าไม่ได้ตัดเอาไว้ซึ่งท่านตมามองเองก็คงไม่ได้มากหรอกเพราะว่าก็ยังไม่เจอพระสูตรไหนที่ที่คนตายไปแล้วหรือคนเป็นได้ชื่นชมยินดีแล้วบอกทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะๆมันก็ไม่ใช่ แต่จะเจอในคําแต่งใหม่ที่บอกว่าเกินเป็นเปลตแล้วมีคนทําทานมาให้ก็ได้เปลี่ยนจากเปลตไปเป็นเทวราชโน้นในนั้นน่ะแต่งใหม่นะมีกระหิตในเรื่องพระมาลายคําหลวงไงฮิตกันว่าทําบุญไปแล้วต้องปวดน้ําไปให้เพราะพระมาลายคำหลวงมีความเชื่อว่าแต่งมาพระมาลายไปนรกไงไปเจอสัตว์นรกและสัตว์นรกก็บอกว่าที่ได้มารับทุ้งอย่างนี้เพราะอะไร ถ้าขึ้นไปโลกมนุษย์ฝากบอกญาติเขาด้วยให้ทำบุญมาให้ทำบุญเสร็จแล้วต้องกวดน้ำน่าถึงจะมาถึงเขาประเพณนีกวดน้ำก็เลยเริ่มมาตั้งแต่คำแต่งใหม่ตรงนั้นเป็นเพื่อตัวเราเองถูกต้องหลกัหลกๆคือส่วนใหญ่พรเจ้าทำก็เพื่อตัวเราเองแต่บางครั้งทำเพื่อตัวเราเองแล้วมันมีผลต่อผู้อื่น อย่างเช่นพระองค์บอกว่าเมื่อจะเมื่อรักษาเมื่อคุ้มครองรักษาตนก็ชื่อว่าคุ้มครองรักษาผู้อื่นคือเราไม่ฆ่าสัตว์เห็นไมว่าสัตว์ก็ไม่ต้องตายเพราะเรา เ, เรารักษาตัวเราเองได้คนอื่นก็ถูกรักษาไปด้วยนี่ไงและการที่เราเจริญเมตตาได้นี่พพุทธเจ้าบอกว่า บุคคลให้ทานร้อยมอนในเวลาเช้าร้อยมอในเวลากลางวันร้อยมอในเวลาเย็นผลที่เกิดขึ้นยังสู้จเจริญเมตตาไม่ได้นะและคนจะเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำการที่จะมีใครมาทำให้จิตเขาฟุ้งซ่านทำด้ยากนะนี่ก็เป็นอีกนิดหนึ่งเรื่องของเมตตาว่าทำแล้วใครได้เราก็ได้แต่สุดท้ายเวลาคนที่อยู่ใกล้เรา ก็จะรู้สึกมีความสุขได้เองมันจะมีเหมือนโยมคนหนึ่งที่เขาทำงานอยู่ Home โ p r นะลูกน้องก็บอกเองว่าเจ้านายเปลี่ยนไปจากที่เคยหน้าบึง้งชอบดูด่า ว, ว่ากล่าวประมาณว่าอารมณ์เสียบ่อยเขาเปลี่ยนไปว่ารู้จักยิ้มแย้มแจ่มใสรู้จักกล่าวคำว่าไม่เป็นไรคนเรามันผิดพลาดกันได้เขาไหมรู้จักยิ้มให้ลูกน้อง แค่เปลี่ยนไปอย่างนี้ถามว่าคนที่อยู่ใกล้ๆอยากเข้าหาเขามาั้ยเข้าหาคนอยู่ใกล้ๆได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์อขอโอกาสเจ้าค่ะพระาอาจารย์มาสักขันเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมอ่ะเป็นคนน่าไหว้หลังหลอกเจ้าค่ ะ, ระพระอาจารย์ออืพระอาจารย์พูดเรื่องเมตตาใช่ไหมเจ้าค่ะคือสําหรับคนใกล้ตัวเจ้าค่ะพระอาจารย์อืเอายกตัวอย่างง่ายๆนะคะ แม่โยมกับโยมโยมจะพูดดีทำดีแต่ใจอะยังมีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมรู้ตัวเองดีเจ้าค่ะแต่คนอื่นไม่เป็นนะคะพี่น้องหลานพี่ชายไม่เป็นแต่กับแม่นี่ทำไมโยมเป็นเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ถ้ารู้แล้วพระเจ้าก็ให้หละ คือไม่ได้ให้ไปสงสัยว่าทําไมถึงเป็นแต่รู้แล้วว่าถ้ามันเป็นก็ให้รักใช่มากคือเราต้องสงสัยให้ถูกจุดนะคือถ้าตอบมันก็ตอบแบบวิชาการคือเพราะเพราะเรายังมีความยึดมั่นอยู่เรามีความยึดมั่นว่าของเราอยู่มันก็เลยเป็นเหตุให้อกุศลธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นนะแต่ในเมื่อมันเป็นอกุศลเราจะทาอย่างไร พระเจ้าก็ให้ละละให้ได้ไหวมันเกิดขึ้นมาก็ต้องละให้ได้ไหวอยามาเก็บอยู่ในจิตในใจเพราะเรื่องมันจบไปตั้งนานแล้วยังเก็บมาคิดทำไมจบไปแล้วก็คือจบวันนี้พลาดพรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้พลาดมะลืนเอาใหม่ก็แค่นั้นเองมันก็ต้องมีสักวันที่มันทำได้ดีที่สุดใช่ไหมไม่มีใครเลวถาวบอลไม่มีใครไม่ดีถาวบล ทุกคนสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้นั้นในเมื่อรู้เราแล้วเรารู้แล้วว่าข้างในกับข้างนอกมันคนละเรื่องในเมื่อข้างในมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรีบละให้ไวมันพูดจบไปแล้วก็ชั่งมันจบก็คือจบตอนพูดมันยังมีความขุน่นความมัวอยู่ก็ช่างมันแต่ตอนนี้มันเลิกแล้วตัวกันไปแล้วก็จบก็ดับให้ได้ไวดุดการกระพริบตาไม่ดีหรอ จะเก็บมาคิดทำไมซาถุป ป, ปัจจานทร์อนุวัฒนาเจ้าค่ะอืมมันก็เป็นกันหลายคนนั่นแหละส่วนใหญ่จะเป็นกับคนใกล้ตัวยิ่งใกล้ตัวมากเท่าไหร่ยิ่งชวนให้เกิดความหดหงิดเท่านั้นเหมือนโยมคนหนึ่งที่เยอเรมันกับคนอื่นเขาพูดดีหมดนะเราจะกัดสามีแล้วเาก็อยากหาอุบายให้สามีมาสมนใจพุทธวันะ เลยบอกถ้าภรรยาไม่เปลี่ยนสามีก็ไม่ศรัทธาหรอกแต่ไปก็ตามที่ภรรยายังไม่เปลี่ยนเขาก็จะไม่มองว่าผู้ทุจนะมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะถ้ามันดีมันต้องเปลี่ยนภรรยาเขาได้แต่ถ้าภรรยาเขายังไม่เปลี่ยนแสดงว่ายังไม่ดีจริงเขาก็บอกเลยว่านี่เขาเปลี่ยนไปเยอะนั้นนะกับคนอื่นเขาแก้ได้หมดแล้วตรงลี้กับสามีคนเดียวก็บอกว่ามันก็ดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ให้ทําต่อไปส่วนใหญ่ก็จะเจออย่างเงี้ยคนใกล้ตัว พอสามีนิดหนึ่งเนี่ยเสียงแหลมขึ้นเลยนั่นแหละลบอกก็ไม่เป็นไรก็ถ้ารู้แล้วก็ให้รีบร่าแล้วก็เริ่มปรับใหม่เดี๋ยวสักพักแล้วก็หมั่นนั่งสมาธิเดินจงกรมเยอะๆเราจะได้ทันอารมณ์ทันความคิดเพราะสิ่งต่างๆมันมากระทบมันก็เป็นแค่ผัสสะถ้าเราฝึกสติได้ไวกระทบปุ๊บเราจะทิ้งได้เลยนะดังนั้นวิธีแก้เอเียกนยคือทาสมาธิให้มากอ่ะ ฝึกสติให้มากแล้วมันจะทันพอทันเสร็จก่อนจะพูดเราก็จะหยุดได้เลยนะเหมือนพระด้วยกันท่านก็บอกบางทีท่านกำลังจะอ้าปากพูดท่านก็นลิกได้ไม่พูดดีกว่าท่านก็งเงียบอนะอย่างเนี้ยคือมันจะทันตั้งแต่เริ่มที่จะพูดละ่ะเริ่มทันความคิดแล้วว่าเอ้ยยิ่งคิดยิ่งไม่ดีเนี่ยก็หนยะุดนคะิดนกะ็จบนี่คือของของการฝึกบ่อยนะเป็นพระก็เป็นโอกาสว่าไงมีเวลาในการ เดินจงกรมนั่งสมาธิฝึกสติได้เยอะแต่พวกเราเองเวลาทำงานก็มีโอกาสใช้สติที่ฐานการงานได้มากเหมือนกันก็ฝึกตรงนี้แหละให้คล่องเราจะเห็นเองว่าความก้าวหน้าของเราเป็นอย่างไรใช่ก็ละใหม่ เราละไม่ขาดใช่มันยังมีตัณหาคือเชื้อไงเพราะส่วนใหญ่อตอบใดที่ยังไม่เป็นพาาระอรหันต์เชื้อแข็งตรงนี้นมันก็ยังมีละเป็นแล้วมันก็ยังจะเกิดขึ้นใหม่แต่ถ้าเราแยกแยะให้ออกพิจารณาให้มากจะเห็นเลยว่าถ้าเป็นเรื่องใกล้ตัวมันวางแล้วมันเก็บมาบ่อยถ้าเป็นเรื่องไกลตัวจะเห็นเลยว่าละแล้วละเลยอ่า เราจะเห็นเองว่าเออเฮ้ยมันเริ่มก้าวหน้าแล้วนี่นะทุกที ไ, อ, อ, อ, ไอ้เรื่องใกล้ตัวละแล้วก็มันก็จะเก็บมาคิดอ่าตอนนี้เรื่องใกล้ตัวเริ่มวางได้ค่ะมันเหลือเรื่องใกล้ตัวเหลือคนใกล้ตัวเหลือเรื่องงานเรื่องเพื่อนร่วมงานละแต่เดี๋ยวต่อไปเราฝึกไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเห็นเองว่า อ, อ๋อมันละได้ขาดละได้ขาดละได้ค่ะเขาจะเรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางคลายความดับไม่เหลือความสลัดคืนไง มันจะมีสลัดคืนแล้วหยิบขึ้นมาใหม่แบบสลัดแล้วสลัดเลยดังนั้นพระเจ้าจึงบอกว่ามีแบบทำอันกลับกําเลิกกับทำอันไม่กลับกำเลิก อ, อันก็มีสองแบบเหมือน ก, กัใช่ฝึกจนคล่องใช่พอมีกําลังพระเจ้าบอกว่าถ้าเราฝึกจนคล่องนะเป็นผู้มีอํานาจเหนือคัลองแห่งจิตอยากจะคิดเรื่องใดก็คิดได้ ไม่อยากคิดเรื่องใดก็ไม่คิดนะและเมื่อเราทำได้อย่างนี้พระองค์บอกว่าต่อไปเราจะสามารถละตันหาได้ขาดาละตันหาได้ขาดคือใครคือพระอาหันต์นั่นเองแสดงว่าตัวตันหาและเป็นเชื้อแห่งการเกิดนะมันมีความอยากเข้าไปรู้ความอยากเข้าไปคิดมันก็สร้างพบสร้างชาติใหม่ต่อไป ซึ่งปัญหามันก็มักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราอุปทานคือยึดมาถือบอกว่าเรื่องใกล้ตัวมันจะไปบ่อยเพราะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรายึด แ, แต่ถ้าไม่ใช่สิ่งที่เรายึดก็ยากเหมือนมีคนถามพระเจ้าว่าอาทุกข์ในโลกนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรพระเจ้าก็บอกฉันท่านราคะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ ฉันทาคือความพอใจราคะคือความกำนัดความกำลัดด้วยความพอใจนั่นแหละ <c oughs> เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตพระเจ้าก็ยังถามว่าในหมู่บ้านนี้มีบางคนตายไปเขาก็รู้สึกไม่เสียใจถูกต้องไหมบางคนตายไปทําไมเขารู้สึกเสียใจเพราะเขามีอะไรกับบุคคลเหล่านั้นนะเพราะเขามีความพอใจในบุคคลหนึ่งพอบุคคลนั้นตายไปก็เสียใจ ถ้าเขาไม่มีความพอใจในบุคคลนั้นเขาตายบุคคลนั้นตายไปเขาก็ไม่รู้สึกเสียใจนะนั่นแหละมันเป็นไอยังนั้นก็ให้มองว่านี้คือธรรมชาติไม่ใช่เรื่องที่เก็บมาอ่าวิตกกังวลไม่ใช่เรื่องที่เก็บมาเป็นเรื่องที่เกิดความท้อแท้ท้อชอยในการปฏิบัติไม่ใช่แต่ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอย่างนี้ของมันนั่นแหละอะไรที่ ยึดมากก็ปล่อยวางได้ยากอะไรที่ยึดน้อยก็ปล่อยวางได้ง่ายก็ธรรมดาแต่ถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆฝึกปล่อยวางไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ปล่อยวางได้เองในที่สุดใช่ใช่ พระเจ้าเธอบอกว่าอารมณ์อันเป็นที่ไม่น่าพอใจหรือน่าพอใจเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมมันต้องเกิดขึ้นแล้วดับได้ไวดุดการกระทิบตาใช่อนณาคามีเนี่ยก็ถึงลัปฏิฆะคือความไม่พอใจได้นะโสดาบันสกทาคามียังมีราคะโทสะโมหะเห็นไหมอันนั้นคือระดับอนาคามีที่เห็นอะไรก็อื้อื้อ่อะ ตั้งแต่อนาคามีขึ้นไปนะพวกล่าสั่งยนต์ห้าขึ้นไปนะถึงจะได้แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สิ่งที่ต่างจากเมื่อก่อนแล้วก็จะทราบว่าเมื่อก่อนนะ่ะมันก็เก็บกดอยู่อย่างนั้นแต่พอทุกวันนี้ดูแล้วว่ามันก็แค่เราปล่อยแค่นั้นมันก็จบก็ต่างกันเยอะแล้ว มีคำถามเพิ่มเติมไหมนะถ้าไม่มีอมีใครจะแถมอะไรไหมาต่มาคิดด้วยออกว็จะให้อะไรเพิ่ม มาธิกำหนดลมใจเข้าออกจิตผม็นอลมใจเข้าออกสักนนกเนี่ยจปนึคือิคือแขงแต่ ส, นนสกักพสติผมนะบักเรืะรแล้วาา ก, ลออก็ตดงัู้ลมของต น, น้ว่ากนมันเกิดดับนี่นะลืับ กรรมหาใจก็มที่หใจเนี่ยผมว่าูปเกิด อ, อันนี้คือผมสามารถกำหนดรูปนไ่ว่าแล้วผมแล้วมันจะต้องมองซ้ๆอย่างเงี้ยบ่อยเท่าไหร่จรูัพเจ้าบอกว่าเมื่อกำหนดการเกิดดับของรูปนามได้ก็ไม่มีสิ่งที่อริ ย, ยาสาวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็ทำแค่นี้ ถ้าทำได้อย่างนั้นมันก็ดีก็ให้ทำไปเรื่อยๆนะก็คือเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นอะไรหายไปนะเสร็จแล้วถามว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนอันเนี้ยผูเจ้าจะให้กรอบกว้างๆไว้อย่างนี้ว่าเหมือนชาวนาเคยทำนามะเคยทำนาม ะ, ะชาวนาเนี่ยเวลาทำนาต้องทำอย่างไรไถคลาดใช่ไหมไขน้ำหวานแล้วก็ไขน้ำเข้าไขน้าออก หน้าที่ชาวนาคือทําอย่างนี้ธรรหน้าที่ในการงอกหน้าที่ในการตั้งท้องหน้าที่ในการสุกเป็นหน้าที่ของข้าวดังนั้นหน้าที่เราคือปฏิบัติไปในศีลอันยิ่งในจิตอันยิ่งในปัญญาอันยิ่งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจิตก็จะดุดพัได้เองและชาวนาอันเดียวกันก็ไม่มีฤทธิ์ไม่มีอนุภาพที่จะไปดลบันดาลว่าข้าวของเราจง นอกวันนี้ตั้งท้องพรุ่งนี้หรือสุบเมร่อน่นนี้ได้เลยเราก็ไม่มีฤทธิ์ไปโดยบันดาลว่าเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วจะหลุดพ้นในวันไหนพระเจ้าก็เปรียบเทียบอีกอันนึงว่าเปรียบเหมือนไฟกองใหญ่ที่ลุกโผลงขึ้นได้ลุกขึ้นได้เพราะเชือ้อคือหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ถ้าเราเติมเชือ้อตลอดเวลาที่ควรเติมไฟกองใหญ่นี้ก็จะเป็นไฟที่มีเชือ้อแล้วก็ยังลุกโผลงอยู่ แต่ถ้าเราไม่เติมเชื้อลงไปในเวลาที่คนเติมไฟนี้ก็จะเป็นไฟที่ค่อยๆหมดเชื้อแล้วดับไฟมันจะค่อยๆมอดลงมอดลงมอดลงทีนี้การที่เรามาตามเห็นความเกิดดับมันก็เหมือนเราไม่ใส่เชื้อลงไปในกองไฟช่งว่าเราตามเห็นโทษของขันทั้ง5แต่ถ้าเราไม่เห็นว่าอันนี้ก็สวยอันนี้ก็งามก็ช่อว่าเราเติมเชื้อลงไปในกองไฟ ดังนั้นเราก็ต้องมาดูตัวเราเองว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราไม่เติมเชื้ออย่างเดียวหรือเราทั้งเติมเชื้อทั้งไม่เติมเชื้อใช่ไหมเช้าขึ้นมาก็อันนี้สวยอันนั้นงามอันนี้อร่อยบ่ายมามาเดินจงกลมนั่งสมาธิในเมื่อไฟมันมีการเติมเชื้ออยู่มันก็ยังต้องลุกอยู่ต่อไปอ่ามันก็ยิ่งนากนกว่ามันจะมอดดังนั้นถ้าเราเห็นการเกิดดับอย่างนี้แล้ว ก็ให้เห็นไปเรื่อยๆอย่ากไปเห็นโดยความเป็นรสอร่อยหญ่ได้ความเห็นเป็นความสวยความงามอีกและเราจะเห็นเองว่าพุทธเจ้าบอกภายในเจเดือนอ่าภายในเจดปีเจดเดือนเจดวันได้ทั้งหมดนะอย่างมากถ้าดูกรอบก็เจปีนะอย่างเร็วก็สุดๆก็มี เรื่องกรรมทราบไปแล้วนะเรื่องเหตุสำเร็จความปรารถนาทราบไปแล้วเห็นแงความมีอายุยืนอายุสั้นทราบไปแล้วอิทธิปยาตาทราบไปแล้วทานศีลภาวนาว่าอะไรมีผลมากมีผลน้อยทราบไปแล้วจริงๆแค่นี้การก็ต้องเอาไปทำต่ออีกเยอะละ <c oughs> และก็เรื่องของการทิ้งอารมณ์ให้ได้ไหวนะเป็นเครื่องวัดความกวหนาก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำ แค่ฝึกแค่นี้ก็มีการบ้านให้ทําไปตั้งนานเลยล่ะ้ไหลายเดือนเลยะมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมนะก็ถ้าไม่มนีน่าจะพอสมควรแก้เวลานะก็ขออนุโมทนาพวกเราทุกคนนะที่ได้มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานมานสนทนาธรรมกันในธรรมะของพระผู้มีพระภาคนะ อาตมาก็เป็นเพียงแค่พิกุรุรูปหนึ่งที่ได้มีโอกาสทรงจำและก็นำมาถ่ายทอดบอกสรด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสังสมมาจงเป็นผลให้เราได้รับในสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตัดเอาไว้นั่นก็คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมอันที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสําเร็จผลอย่างนิพพานพ้นทุกข์ในอนาคตการอันใกล้โดยทุ่นน่า ก, กันทุกคนทุกท่านเถิด